ทนี้ต่อไปภาวะที่ศีลขาดเป็นต้นด้วยอํานาจแห่งเมทุนสังโยกเจอย่างเขาบอกว่าชื่อว่าเมทุนเพราะอาจว่าเป็นสิ่งนี้ของคนคู่โดยการถึงความเช่นเดียวกันเพราะความกลุ่มรุมด้วยราคะได้แก่การสมสู่ความประกอบร่วมกันด้วยอํานาจแห่งเมทุนชื่อว่าเมทุนสังโยกแต่ในที่นี้เป็นเหมือนกับเมทุนไม่ใช่ไม่ใช่เป็นการเสพเมทุนจริงๆแต่ว่าเป็นเหมือนกับเมทุนนะนะ ถ้าหากว่ามีพฤติกรรมในเจ็ดอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะตามเมธุนสังโยคเจ็ดอย่างอันนี้ศีลเขาก็ชื่อว่าศีลที่ขาดที่ด่างที่พร้อยที่ทะลุเหมือนกันสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในเมถุนสังโยคเมถุนสูตรเลยนะนั้นว่าดูก่อนพราหมนะดูในนี้ก็ได้แต่ขอมาอ่านในพระไตรปิฎกเนี่ยความชัดชัดเจนแต่ว่าเราดูเทียบตามหนังสือไปก็ได้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 ก็ทรงปฏิญาณว่าเป็นพรหมจรีหรื อ, อนะคือไปถึงว่าท่านนี้เป็นผู้ปฏิญาณว่าเป็นพรหมจรีหรือคือตามลทัทธิของาศาสนาพราหมณ์สมัยก่อนเนี่ยนะเขามีการประพฤติเรียกว่ากุมานพรหมจันทร์เห็มนะอ่าเป็นพรหมจันทร์ของของผู้ชายเขานะเขาบอกว่า ถามว่าท่านพระโคโดมผู้เจริญปฏิญญาการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ได้ยินว่าพราหมณ์นั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าพราหมณ์ทั้งหลายเรียนเวทในละที่ของพราหมณ์ประพฤติพรหมจรรย์สิน 48, ้น48่สิรษาก็คือไม่มีไม่ใช้ชีวิตคู่เนี่ยนะสีปีะนะเขาเรียกว่าไอ้พรหมจรรย์ของเขาอ่ะนะพรหมจรรย์แบบาศาสนาเขาอ่ะ ก็พระส ม, มณโคโดมเมื่ออยู่ครองเรือนได้อภิรมกับนางสนมสามหมู่ในปร า, าสาททั้งสามบัดนี้พระส ม, มณโคโดมเจ้าตรัสอย่างไรหนอะดังนี้ก็เลยถาม น, นะตามรัที่ของพราหมณ์เขาบอกว่าต้องไม่มีคู่เลยจนอายุนั่นแหละสี่สิบแปดนั่นแหละจึงจะเชื่อว่าเป็นเป็นพรหมจารีบุคคลก็ว่างั้นแต่นี้เอก็ก็แต่งงานแล้วเขามาบวชอย่างนี้จะเป็นพรหมจรรยได้ยังไง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 ชานุโสมนีพรามก็ถามว่าข้าแต่ท่านพระโคดมอะไรชื่อว่าขาดทะลุด่างพร้อยแห่งพรหมจรรย์ดูก่อนพรามถูกแล้วสมณะหรือพรามบางคนในโลกนี้ปฏิญาณว่าเป็นพรหมจารีโดยชอบไม่ร่วมความเป็นคู่คู่กับมาตุคามก็คือเนี่ยยังว่านะีแต่ยังยินดีการขัดสีรูปไ้ ให้อาบน้ําและนวดเฟนของมาตุคามพอใจชอบใจถึงความปลืม้มใจด้วยการบําเรอนั้นเห็นไหมคือเขานี่ไม่ไ ม, ไม่ไม่เสพไม่ทนหรอกแต่ว่ามันเป็นลทัทธิที่เขาเอาพวกไผู้หญิงเนี่ยนะมาบําเรอ ม, มาบีบมานวดมาล้างมาอาบมาอะไรให้อะนะนั้นคนที่ยินดีเนี่ยนะพอใจชอบใจถึงความปลืม้มใจด้วยการบําเรอนั้นแม้ข้อนี้ก็เชื่อว่าขาด ทะลุด่างพร้อยแห่งพรหมจรรย์เนี่ยนะเพราะว่าอย่างอย่างข้อนี้แม้แต่สิกขาบทของพระพิสุนะมีสิกขาบทหนึ่งว่าอันหนึ่งพิสุดใดมีความกำหนัดแล้วเนี่ยนะมีจิตแปรปรวนแล้วถึงความเคล้าคลึงด้วยกายกับมาทุคามจับมือก็ตา ม, จ, ม, ตามจับช่องผมก็ตามรูปคล้ำอวัยวะอันใดอันหนึ่งก็ตาม <S <S <S เป็นสังขาธิเศตโดยที่สุดแม่แต่อะไรที่มันเส้นผมเส้นหนึ่งจับไม่ได้เลยนะเป็นวัตถุแห่งสังขาธิเศตเขาว่าไงา เพราะฉะนั้นถ้ายินดีในลักษณะนี้ก็ น, นี้ก็ชื่อว่าขาดทะลุด่างพร้อยแห่งพรหมจรรย์ดูก่อนพราหมณ์เรากล่าวผู้นี้เรากล่าวว่าประพฤติพรหมจรรย์ไม่บริสุทธิ์ประกอบด้วยเมถุนสังโยคไม่พ้นจากชาติชรามรณะโสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาตเรากล่าวว่าไม่หลุดพ้นไปจากกองทุกได้นก็คือยินดีในการตรงนี้ทาว่าไง ให้มาทุกคมขัดสีบีบให้อาบน้ำให้นวดให้อะนะเขายินดีการกระทำนั้นปรารถนาการกระทำนั้นย่อมปราบปรื่มถึงการกระทำอ น, นั้นเหนะเพราะว่าถ้าจิตสภาพจิตที่ไปยินดีในเรื่องราวในลักษณะนี้ก็ไม่พ้นไปจากทุกได้ดูก่อนพรามอีกประการหนึ่งสมณะหรือพรามบางคนในโลกนี้ปฏิญาณตนว่าเป็นพรหมจารีโดยชอบ ไม่ร่วมกันเป็นคู่คู่กับมาตุคามและไม่ยินดีการขัดสีลูบไล้ให้อาบน้ำและการนวดฟันของมาตุคามแต่ยังกระซิกระสิเล่นหัวสัพายกกับมาตุคามพอใจชอบใจซึ่งถึงความปลื้มใจด้วยการเสศวนอ่านนี้ว่า ถ้าเป็นภาษาคามนเนี่ยเพคือมันมาจากภาษาคามนเนี่ยนะเสสวนนันเนี่ยนะภาษาคามนเขใช้คําว่าสรูสรูลแล้วก็แปลว่าสนุกอ่ะนะถึงความสนุกเพลิดเพลินสรูกับการเล่นน่ะลักษณะนี้เย้ากันไปหยอดกันมากะซิกกะซีกันนะลักษณะเนี่ยอ๋อมีนะเสสวนเนี่ยก็คือมาจากสรุลนะแต่ไม่รู้จะเขียนเป็นยังไงเขียนเป็นภาษาไทยเ่านยังไงสรู แม้ข้อนี้ก็ชื่อว่าขาดทะลุด่างพร้อยแห่งพรหมจรรย์ดูก่อนพราหมณ์ผู้นี้เรากล่าวว่าประพฤติพรหมจรรย์ไม่บริสุทธิ์ประกอบด้วยเมถุนสังโยคไม่พ้นจากชาติชรามอรณ์โสกะปริเทวะทุกขโทโมนัสและอุปายาตเรากล่าวว่าไม่หลุดพ้นไปจากกองทุกขได้เนีย่ยนะพรหมจรรย์นี้ก็ขาดทะลุด่างพร้อยใช่ไหมถ้าหากว่ายังกระซิกะซิเล่นหัวสับพยอกกับมาตุคามแล้วก็พอใจเป็นต้นชอบใจแบบนั้นอนะ่ะ เลยนะก็ต้องดูว่าถ้อยคำที่พูดนั้นพูดคาไหนออกมาถ้าเป็นถ้อยคำบางอย่างถ้าพาดพิงเมทุนก็เป็นเป็นสังกาธิเศส น, เนะถ้าพูดพาดพิงเมถุนนะ ถ, รร <c oughs> ถ้าธรรมดาทั่วไปก็ถ้าตรงๆอย่างนี้ยังไม่แน่ใจแต่ถ้าไปกระทบผิวพันธุ์จะเย้าเล่น่นะพูดโอ้ผมก่องามเล็บก่องามอะไรถ้าลักษณะนี้นะ<ม>ไปเรื่อย อันนี้ด้วยประสงค์จะหยอกเล่นอะไรเล่นเนี่ยนะอันนี้เป็นเป็นอบัติทุพัสสิตทุพัสสิตผู้ชั่วถือว่าผู้ชั่วดูก่อนพราหมณ์อิประการหนึ่งสมมนาหรือพรามบางคนในโลกนี้ปฏิญาณตนว่าเป็นพรหมจรีโดยชอบไม่ร่วมความเป็นคู่คู่กับมาตุคามและไม่กระซิกสีเล่นหัวสะพาย ก, กับมาตุคามแต่เพ่งดูจ้องดู จักสุแห่งมาตุคามด้วยจักสุของตนพอใจชอบใจถึงความปลื้มใจด้วยการเลงแรนั้นแม้ข้อนี้ก็เชื่อว่าขาดทะลุด่างพร้อยแห่งพรหมจรรย์ดูก่อนพรามผู้นี้เรากล่าวว่าเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ไม่บริสุทธิ์ประกอบด้วยเมถุนสังโยคไม่พ้นจากชาติชรามรณะโศกปริเทวทุกทมนัสและอุปายาต เรากล่าวว่าไม่หลุดพ้นไปจากกองทุกได้ก็ว่ายินดีในการศบตาว่างั้นเถอะอาจารย์ไม่ถึงอาจารย์มันลบเ น, นีก็บอกว่าตาศบพบตาเสือแม่ร้ายเหลือให้ศบตอบว่างั้นศบตาตานางชอบอย่าไปศบตอบอนอาในยังยังอันนี้ยังไม่ถึงอว บ, บัดแต่ว่าอินทรีย์สังวรศีลไม่มีนขณะนั้น เฉพาะอินทร์สังวศรศีลไม่เกิดแต่ถ้าไปเพ่งโซนอื่นไม่แน่นะนี่ต่อไปดูก่อนพรามอีกประการหนึ่งสมณะหรือพรามบางคนในโลกนี้ปฏิญาณตนว่าเป็นพรหมจรรีโดยชอบ ไม่ร่วมความเป็นคู่คู่กับมาตุคามไม่กระซิบกระซิเล่นหัวสัพพยอกกับมาตุคามไม่เพ่งดูจ้องดูจักสุกแห่งมาตุคามด้วยจักสุกของตนแต่ได้ฟังเสียงมาตุคามหัวเราะอยู่ก็ดีพูดอยู่ก็ดีขับร้องอยู่ก็ดีร้องให้อยู่ก็ดีข้างนอกฝาก็ดีข้างนอกกำแพงก็ดีพอใจชอบใจถึงความปลื้มใจด้วยเสียงนั้นคือถ้าเป็นสมัยก่อนมันไม่มีวิทยุใช่ไหมไม่มีวิทยุเปิดฟังเพลงอย่างนี้ ไม่มีทีวีให้ดูเี่ยก็พวกเอาแบบชอบนะชอบเสียงผู้หญิงเงี้ยไปหาเสียงมานี่มาฟังเสียงทั้งแต่เสียงหัวเราะร้องไห้ขับร้องอะไรต่างๆเราเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นข้อนี้ก็ชื่อว่าขาดทะลุด่างพร้อยแห่งพรหมจรรย์ถึงตรงนี้เนี่ยนะขอให้แบบว่ายินดีในเสียงมาตุคามเนี่ยถือว่าขาดและ ต, ตามนัยนี้นะ แต่อันนั้นอันนั้นคือศีลอันนั้นคือศีลที่ว่าจะข่าหรือไม่ในศีลที่เรียกว่าอ ok ุโบสถโข้อนหนึ่งศีลพิสุก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่ า, วาพระพิสุเป็นอบัติทุกกฎแต่ตรงนี้หมายถึงว่ายังชอบฟังเสียงผู้หญิงอยู่วังนั้นเถอะพูดง่ายๆขอให้ชอบฟังเสียงว่าเธอจะพูดจะร้องจะอะไรก็ได้ขอให้เป็นเสียงผู้หญิงอะ่ะแล้วยินดีอันนี้แม้ข้อนี้ก็ชื่อว่าข่าทะลุด่างพร้อยแห่งพรหมจรรยก์ก็ชอบเยอะ ชอบมากก็ยุ่งกันนะแต่ชอบมากก็ไม่ต้องรักษาแล้วสินะแต่ก็นึกชอบเมื่อไหร่เนี่ยนะก็นึกชอบเมื่อไหร่ก็เป็นละอันนี้พรหมจรีบุคคลใครที่ประสงค์ประพฤติพรหมจรีเพื่อพ้นจากชาติชรามรณะเนี่ยนะะคือพรหมจารีบุคคล เอาพร ม, มาจาลีบุคคลเหมนกันเอะใครจะศีลเท่าไหร่ก็ได้อมันจะเป็นเป็นครับคือถ้าหากว่าเราไปไปนั่งคิดอยู่เท่านั้นเนี่ยเราก็จะยินดีคิดอยู่ในศีลเท่านั้นอ่ะไม่คิดจะพัฒนาจิตอะไรเลยใช่ไหมถ้าถ้าเรามาคิดว่าเออนี่ชั้นหชั้นแปดชั้นสิบชั้นอยู่เท่านี้นะมันปฏิบัติอะไรกันแน่เพราะถ้าจิตมันเกิดขึ้นยินดีลักษณะนี้เป็นกุศลหรืออกุศลโลภะทั้งนั้นแหละมีโทษหรือไม่มีโทษ ให้ผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าตีเตียนหรือยอกย่องอะนะโอ้ดีเหลือกเกินนะพี่สุทั้งหลายเธอนี่นั่งกลึ่มไปกัโลภะอย่างเงี้ยมีมีแต่ตำหนิอย่างเดียวดูกนพรามอีกประการหนึ่งสมณะหรือพรามบางคนในโลกนี้ปฏิญาณตนว่าเป็นพรหมจรีโดยชอบไม่ร่วมความเป็นคู่คู่กับมาตุคามไม่กระซิกระซิเล่นหัวสัพยอ ก, กับมาตุคามไม่จ้องดู จ้องดูจักสุแห่งมาตุคามด้วยจักสุของตนและไม่ได้ฟังเสียงแห่งมาตุคามหัวเราะอยู่ก็ดีพูดอยู่ก็ดีขับร้องอยู่ก็ดีร้องไห้อยู่ก็ดีข้างนอกฝาก็ดีข้างนอกกำแพงก็ดีแต่ตามนึกถึงการหัวเราะพูดเล่นหัวกับมาตุคามในการก่อนคือก่อนยังไงยังไม่บวชอ่ะนะก่อนพอใจชอบใจถึงความปลื้มใจด้วยอาการนั้นๆ น, น, นะเคยไป คุยกับใครอะไรว่ายังไงก็มานั่งยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อยู่คนเดียวนั่นแหละนะสมัยก่อนเคยไปพูดเล่นหัวเคยไปอะไรยังไงต่างๆเราเนี่ยนะภาพเหล่านั้นก็มาทั้งหมดก็นึกถึงด้วยความดีใจอนึกถึงด้วยด้วยอำนาจฉันทราคะาอันนะแม้ข้อนี้ก็ชื่อว่าขาดทะลุด่างพร้อยแห่งพรหมจรรย์อนะนี่คือความเศร้าหมองของศีลอันนะผู้นี้เรากล่าวว่าประเพณพรหมจรรย์ไม่บริสุทธ นะประกอบด้วยเมถุนสังโยคเนี่ยนะไม่พ้นไปจากชาติชรามรณโะโศกปริเทวทุกโทมนัสและอุปายาตเรากล่าวว่าไม่หลุดพ้นไปจากกองทุกได้ดูก่อนพรามอีกประการหนึ่งสมณะหรือพรามบางคนในโลกนี้ปฏิญาณตนว่าเป็นพรหมจารีโดยชอบไม่ร่วมความเป็นคู่ ค, คู่กับมาตุคามไม่กระซิกระซิเล่นหัวสัพยอกกับมาตุคามไม่เพ่งดูจ้องดู จากสู่แห่งมาตุคามด้วยจากสู่ของตนไม่ได้ฟังเสียงแห่งมาตุคามหัวเราะอยู่ก็ดีพูดอยู่ก็ดีขับร้องอยู่ก็ดีร้องไห้อยู่ก็ดีนอกฝาก็ดีนอกกำแพงก็ดีและไม่ได้ตามนึกถึงการหัวเราะการพูดการเล่นหัวกับมาตุคามในการก่อนแต่ได้เห็นเครืาบดีก็ดีบุตรแห่งเครือาบดีก็ดีผู้เพียบผู้เอิบอิ่มพรั่งพร้อมด้วยกามาคุณห้า บำเรอตนอยู่พอใจชอบใจถึงความปลื้มใจด้วยการบำเรอนั้นเนี่ย น, นะคือเห็นเขามีความสุขโอ้ดีนะเขามีคู่ชีวิตคู่ครองเรือนอะไรต่างๆเนี่ยไปยินดีกับเขาอ่ะพูดง่ายๆเขาเห็นเขามีรถงามก็โอ้ดีโลภะไปกับเขาเลยเห็นเขามีอะไรก็ดีไปกับเขาไม่หมดเลยนะไปร่วมยินดีแบบโลภะอย่างเป็นต้นนั่นแหละอนะอนนน แม้ข้อนี้ก็เชื่อว่าขาดทะลุด่างพร้อยแห่งพรหมจันทร์เห็นไหมเขาบอกว่าผู้นี้เรากล่าวว่าประพฤติพรหมจันทร์ไม่บริสุทธิ์ประกอบด้วยเมทุนสังโยหกไม่พ้นไปจากชาติชรามรณาโศกะปริเทวะทุกขโทมาัตและอุปายาตเรากล่าวว่าไม่หลุดพ้นไปจากกองทุกได้แต่ก็ชาติ ด, ดีนะเอ้จะหลุดพ้นไปจากกองทุกได้ยังไงเมื่อไอความยินดี น, นั้นเป็นสมุทัยสัตว์อ่ะถ้าตามยินดีแบบนี้ก็ เสริมสมุทรยศัสตร์อยู่ตลอดเวลาใช่ไหมเมื่อเสริมอยู่สมุทรยศาสตร์จะพ้นไปจากชาติได้อย่างไรเห็นไหมเพราะว่าชาติเนี่ยเป็นผลจากความเข้าไปเพลิดเพลินยินดีในอารมณ์นั้นๆ น, น, น, นะตรงนี้เป็นความอัศจรรย์ใจในในาศาสนาของพระผู้มีพระภาคอย่างหนึ่งว่าพระองค์บอกว่าสิ่งเหล่านี้คือสมุทรยศัสตร์อะ <c oughs> ความเพลิดเพลินเหล่านี้นะซึ่งโดยมากสัตสัตว์ทั้งหลายเนี่ยจะไม่ได้คิดว่านี่คือเหตุแห่งความทุกข์ใช่ไหม ที่เขาว่ามีพราหมอยู่คนไอ้ครูหบดีอยู่คนหนึ่งลูกเขาตายอ่ะเพราะลูกเขาตายก็พระองค์ก็แสดงธรรมว่าอ้าวเพราะว่าท่านนี่ไปเพลิดเพลินในบุตรเป็นต้นนั่นแหละท่านจึงเสียใจเพราะเพราะบุตรเมื่อบุตรจากไปเขาบอกว่าไม่ใช่เพราะความเพลิดเพลินหรอกก็เพราะลูกตายนั่นแหละเขาจึงทุกข์เหมงอนกันเขาไม่เชื่อนะว่าไอ้ต้นเหตุแห่งความเสียใจของเขาเนี่ยเกิดจากเขาเข้าไปเพลิดเพลินแต่เขาบอกว่าเพราะลูกเขาตายนั่นแหละ ถ้าเขาไม่ลูกไม่ตายเขาจะไม่เสียใจยแบบนี้เลยแต่ไม่เคยนึกว่าไอความที่เราเข้าไปเพลอๆเพลนั่นเองเป็นต้นเหตุแห่งความเสียใจเนี่ยนะก็ไม่ได้ไม่ได้คิดในลักษณะนั้นดูการพรามอีกประการหนึ่งสมณะหรือพรามบางคนในโลกนี้ปฏิญาณตนว่าเป็นพรหมจรรีโดยชอบ ไม่ร่วมเป็นคู่คู่กับมาตุคามไม่กระเซกกระเซเล่นหัวสัพายกกับมาตุคามไม่เพ่งดูจ้องดูจับสุกมาตุคามด้วยจักศุกร์ของตนไม่ได้ฟังเสียงแห่งมาตุคามหัวเราะอยู่ก็ดีพูดอยู่ก็ดีขับร้องอยู่ก็ดีร้องไห้อยู่ก็ดีข้างนอกฝากก็ดีข้างนอกกำแพงก็ดีไม่ได้ตามนึกถึงการหัวเราะการพูดการเล่นหัวกับมาตุคามในการก่อน และไม่ได้เห็นเครหบดีก็ดีบุตรแห่งเครืหบดีก็ดีผู้เอิบอิ่มพรั่งพร้อมด้วยกามคุณท่าบำเรอตนอยู่แต่ประพฤติพรหมจรรย์ตั้งปรารถนาเพื่อเป็นเท พ, พเจ้าหรือเทพองค์ใดองค์หนึ่งว่าเราจะได้เป็นเท พ, พเจ้าหรือเทพองค์ใดองค์หนึ่งด้วยศีลพรรตบะหรือพรหมจรรย์นี้พอใจชอบใจถึงความปลืม้มใจด้วยความ ปรารถนานั้นนะส่วนใหญ่แล้วสมัยสมัยอินเดียเมื่อก่อนเนี่ยเขาเป็นสูตรพงเข้าเลยนะที่พระรัฐบาลเป็นต้นเนี่ยหรือพระสุทินเนี่ยภรรยาเก่าก็จะไปถามพระลูกเจ้าว่าไงนางฟ้าที่พระลูกเจ้าประพฤติพรหมจรรย์เพื่ออยากได้เนี่ยเป็นยังไงนะก็บอกว่าเราไม่ได้ประพฤติพรหมจรรย์เพราะเหตุแห่งนางฟ้าหรอกน้องหญิงเ น, นี้ยสลบเลยนะนะว่าไงคลาคลาคือว่าเธอมันจากฐานะ ภารยาใช่ไหมเรียกน้องสาวเลยสลบเลย <c oughs> นะคือเขาโดยมากนี่ถ้าเป็นลทัทธิฤาษีโดยมากเนี่ยนะถึงไปประพฤติพเพราะคข่งขนาดนั้นก็ยังเพื่อผู้หญิงอยู่โดยมากนะอ่าในากลุ่มเชเดนสามพี่น้องเนะี่ยเชเดนสามพี่น้องอรุเวรกัสปะนาทีกัสปะขยากัสปะ เพราะฉะนั้นไอ้วัดพรหมจรรย์ที่ว่าลงอาบน้าํามาย่างกิเลสขนทรายทั้งหลายแล่นั่นน่ะทั้งหมดนั้นก็ส่วนหนึ่งในการปราถนาก็คือผู้หญิงอยู่ด้วยอย่างหนึ่งในนั้นนั่นแหละมีเขาบอกว่าสารเสริญลาบยศสารเสริญรูปเสียงกลิ่นรสอะยันเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ย น, นะพอจะได้พรั่งพร้อมไปด้วยกามาคุณ น, นั่นเองเห็นไหมถึงประพฤติพรหมจรรย์เคร่งครัดขนาดไหนโดยมากก็เป็นปราถนาเทพนิกายอย่างใดอย่างหนึ่งเห็นไหมเว้นแต่ว่าผู้ได้ฌาน นะพระม a j ร์ที่ได้ฌานอันนี้จะเห็นโทษในกามจริงๆถ้าไม่เห็นโทษในกามจริงๆจะไม่ได้ฌานอย่างเด็ดขาดดูกนพรามผู้นี้เรากล่าวว่าประพฤติพระมร j a ์ไม่บริสุทธิ์ประกอบด้วยเมถุนสังโยคไม่พ้นไปจากชาติชรามรณะโซกะปริเทวะทุกขโทมัตอุปายาตเรากล่าวว่าไม่หลุดพ้นไปจากกองทุกได้ดูกนพราม เรายัางพิจารณาเห็นเมถุนสังโยกเจ็บประการนี้อย่างใดอย่างหนึ่งว่ายัางละไม่ได้ในตนเพียงใดเราก็ยังไม่ปฏิญญาณว่าเป็นผู้ตรัสรู้อนุตระสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมาราโลกพรมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์เพียงนั้นพระพุทธเจ้านะตรวจ ด, ดูแล้วว่าถ้ายังมีอย่างใดอย่างหนึ่งนะในเจดข้อเนี่ยในตัวของพระ อ, องค์อยู่นะ พระองค์จะไม่ปฏิญาณว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยแต่เมื่อใดเราไม่พิจารณาเห็นเมถุนสังโยคเจตประการนี้อย่างใดอย่างหนึ่งว่ายัางละไม่ได้ในตนเมื่อนั้นเราจึงปฏิญาณว่าเป็นผู้ตรัสรู้อนุตระสัมมาสัมโพุทธญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ก็ยานทัศนะเกิดขึ้นแก่เราว่าวิมุติของเราไม่ กำเริปัจเวกขณะยานเกิดขึ้นพิจารณาอรหัตผลแล้วว่าไม่กำเริบเนี่ยนะชาตินี้มีในที่สุดบัตรนี้พบใหม่ไม่มีอีกเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วชานุโสนีพรามได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพาสิทธิของพระองค์แจ่มแจ้งนักจนถึงจบข้อความก็คือ ขอถึงพระสมณะโคโดมว่าเป็นสารณะพร้อมทั้งพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์ขอท่านพระโคโดมผู้เจริญโปรดทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสารณะตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป